เมื่อสักสามสี่ปีก่อนนะเวลาพาคนเดินจงกลมนะรอบสระก็จะมีหมาตัวหนึ่งเนี่ยมาร่วมเดินด้วยเป็นประจำนะไม่ใช่หมาวัดนะเป็นหมาอของชาวบ้า น, นข้างๆวัดของแม่สุดนะปกติเขาก็เล่นอะไรเขาไปเรื่อยนะแต่พอร่วมีการเดินจงกลมเป็นแถวนี้เขาก็จะมาเดินด้วยนะ ชื่อปุกกี้นะเป็นหมาตัวใหญ่ก็จะมาเดินอยู่ข้างๆอาตมาเนี่ยคือหัวแถวเสร็จแล้วซักพักก็จะวิ่งออกไปคุยเขียอะไรข้างหน้าบางทีก็ได้ยินเสียงมแมลงผิดูก็ไปดูว่ามันเป็นอะไรแต่เขาจะทำงั้นไม่นานนะซักพักเขาก็จะรู้แล้วว่า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 ปีสองปีที่แล้วก็ชวนให้นึกนะว่าการเจริญสติก็แบบนี้แหละนโปกเกีก็เปลี่ยนมันกระจนะปกตินะโปกเก้ก็มาเดินข้างตัวตมาอัตมาก็เปลี่ยนมันกับกายนะกายกระจายอยู่ด้วยกันนะก็เกิดความรู้สึกตัวการเจริญสติเคลื่อนนี้แหละก็คือการให้ใจมารับรู้คู่กาย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 แล้ไปเดียวเดีเาก็เผลอเขาลืมเขาก็ออกไปคุยเขี้อะไรข้างหน้าแต่เป็นอย่างนี้ได้สักพักก็กลับม า, าใจเราเนี่ยนะของผู้ปฏิบัติเวลาเราเจริญสติเนี่ยให้มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันออกไปเที่ยวเล่นไปคลอเคลียกับรูกรถกินเสียงสัมผัสอ่าภายนอกเนี่ยได้สักประเดี๋ยวเดียวนะ แล้วก็รู้ตัวมีสติระลึกได้กลับมาแต่ใหม่ๆนะมันจะไม่เป็นงั้นหรอกนะพอมันวิ่งออกไปนะจิตมันวิ่งออกไปข้างหน้าไปจดจ อ, อกับเสียงที่ได้ยินหรือว่ารูปที่เห็นมันก็ไปคล raw เคลียนะ raw เคลียนี่ก็มีทั้งสองแบบก็คือ raw เคลียเพราะหลงหรือชอบกับ คลอเคลียนในลักษณะที่จะผลักสายออกไปเพราะไม่ชอบก็จะเจอก็จะเพลินหรือว่าจมอยู่กับสิ่งนอกตัวอย่างเวลาเราได้ยินเสียงดังเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยใจเราก็จะไปปักอยู่กับเสียงนั้นหรือว่าเวลามียุงมาบินก่วนขณะที่เราเดินจงกรมนะใจเราอยู่ไหนนะใจตอนนั้นก็ไปแล้วไปตดจ่อที่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 อันนี้เราลูกกายแต่เราจะลูกกายไหมถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจ้องจดจ่อยอยู่กับสิ่งภายนอกนะจะเป็นเสียงจะเป็นรูปจะเป็นมแมลงนะหรือคนที่เราไม่ชอบนะหรืออาหารนะที่เราโปรตปรานนะอันนี้เราส่งจิตออกนอกเมื่อส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่นะก็จะไม่ลูกกายแล้วก็ไม่รู้ใจลืมกายลืมใจนะ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 ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาเดินจงกบ แ, แต่เวลาทํางานหรือเวลาเดินทางด้วยบางทีสิ่งดีๆที่สามารถจะให้เราสัมผัสรับรู้ได้ระหว่างทางแล้วก็มองข้ามไปอาจารย์ประมวลเคยเล่าว่าตอนที่ท่านไปตั้งใจเดินกลับบ้านจากเชียงใหม่ไปสมุยนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายคนคงได้ยินแล้วเพ่อเขียนเป็นหนังสือพิมพ์มาเป็นยี่สิบครั้งได้แล้วมั้งเดินสู่อิสรภาพตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้าน